เรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาทสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉับพักขี พบภิกษุแล้วพลิกให้ดูก้นบาดภิกษุทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าชะไหนพวกภิกษุณีฉับพักขีพบภิกษุแล้วพลิกให้ดูก้นบาดเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณี พบภิกษุแล้วไม่พึงพลิกให้ดูก้นบาทรูปใดแสดงต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุณีเมื่อพบภิกษุแล้วงายบาทแสดงและนิมนต์ภิกษุรับอาหารที่มีในบาทนั้น